ผี่เสื้อแสนสวยการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วยังมีหนอนตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะเขาเกลียดร่างกายที่เทอะทะและเชื่องช้าดูเพื่งพวกนั้นสิมดพวกนั้นด้วยแล้วหาันมาดูที่ฉันฉันจะบิน แลวม่อยาพวกเขาได้ยังไงกันนะแต่ก็อย่างที่เขาพูดนอนไม่สามารถบินได้เขาได้แต่คลานไปเรื่อยๆและกินใบไม้อย่างตะกละาตะกรามเจ้ามดจอมสนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยเฮ้ hey, เจ้านอนอืดอาดกินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยพักบ้างเถอะ น, นะเหลือใบไม้ไปให้พวกเราด้วยสิอืมจะทำยังไงได้ล่ะ ก็ฉันนะอะหิวตลอดเวลาเลยเนี่ยกินไปเถอะเจ้าตัวน้อยมันเป็นขั้นตอนในการเจริญเติบโตเขาต้องกินมากแค่ไหนละคุณยายเอออีกสักหน่อยละมังแล้วเขาก็จะโตขึ้นในแบบที่เธอนึกไม่ถึงเลยละกินไปเถอะนะแล้วก็อย่าไปใส่ใจคนอื่นเขาเลย มมมมขอบคุณนะคุณยายแต่ผมไม่ชอบตัวเองเลยอะ่ะตอนนี้อย่าดูถูกพระแม่แห่งธรรมชาติเลยนะทุกอย่างที่เธอสร้างขึ้นมานั้นสวยงามในแบบของมันอยู่เสมอและตอนนี้นายก็ยังโตได้อีกเยอะและตอนนี้นายก็สมบูรณ์แบบ ในแบบของนายแล้วล่ะจำเอาไว้เลยนะว่านายดีแล้วเจ้าหนอนยังคงคลานและกินต่อไปจนกระทั่งฤดูร้อนไปถึงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงส้มและเหลือง มันทําให้โลกนี้ดูเยา้ายวนใจไปด้วยสีแดงอารามในขณะที่ใบไม้เริ่มผัดใบเหล่าจิ้งรีดและฝูงพึ่งก็บินไปตามใบไม้และไล่ตามพวกมันไปถึงพื้นเจ้าหนอนพยายามที่จะไล่ใบไม้ด้วยแต่ว่าตู้ของเขาเทอะทะเกินไปทําให้เขาตกลงไปข้างล่างด้วยเสียงดังโครมครามโอ้ ขันอยากที่จะบินได้หรือว่าวิ่งได้แบบพวกเขาบ้างจังเลยไม่นานฤดูใบไม้ร่วงก็ออกเดินทางสู่ฤดูหนาวเมื่อตอนกลางวานันสั้นลงและในตอนกลางคืนอากาศหนาวได้เย็นขึ้นวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหนอนรู้สึกง่วงมากง่วงอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อน เขาพบกิ่งไม้ที่แข็งแรงพอสำหรับการพักผ่อนของเขาเขาทอใย ห, หนาทึบรอบๆตัวเขาหลังจากที่เขาหานอนฟอดใหญ่เขาก็หลับลึกและลึกลงไปฤดูหนาวก็ได้มาเยือนพร้อมกับการมาของแจ็คฟรอสโอ้ดูสินี่มันอะไรกันเนี่ย <laughs> อย่ายุ่งกับเขานด j a แจ็คฟรอสแน่นอนคุณยาย จากนั้นราชาแห่งหิมะก็ได้เข้ามาดูเด็กชายตัวน้อยนอนหลับในผ้าห่มของเขาเฮ hey, นุ่มน้อยหลับซะนะหลับซะพระแม่แห่งธรรมชาติกำลังจะมอบพลังวิเศษให้กับนายหลับซะฤดูหนาวอยู่เนิ่นนานกว่าสี่เดือนในตอนนั้นโลกทั้งโลกก็เงียบสงบลงเหล่าเทวดาตัวน้อยแห่งธรรมชาติได้งอกขึ้นมา เพื่อปลูกบันดาลดอกไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานในความหนาวเย็นแสงแห่งความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ได้สองทะลุผ่านน้ำแข็งและห่อหุ้มโลกด้วยความอบอุ่นและแสงนั้นทําให้เจ้าหนอนของเราตื่นขึ้นมาด้วยตอนนี้ฤดูหนาวได้หายไปแล้วเขารู้สึกร้อนมากในผ้าห่มของเขาเขาต้องการที่จะเป็นอิสระออกมามดตัวน้อยมองไปที่เขาคุณยาย เขาหลับนานมากเลยนะเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเหรอโออเขาจะตื่นขึ้นมาแน่นอนจ้าเดี๋ยวนะเขาขยับตัวแล้วเขากำลังจะตื่นแล้วชแค่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเจ้ามดจึงเฝ้ามองดูถ้าเห็นว่าเจ้าหนอนพยายามจะทำลายผ้าห่มของเขามากแค่ไหนดูเหมือนว่าเขาจะใช้แรงเยอะมาก คุณย้ายดูเหมือนว่าเขาพยายามอย่างหนักเลยนะพวกเราไปช่วยเขากันเถอะโอ้ไม่ต้องหรอกรออยู่ที่นี่แหละนี่เป็นเรื่องยากสำหรับตัวเขาเองแค่เรารออยู่ที่นี่แล้วก็ดูพอแล้วละแต่ว่าทำตามที่ยายบอกเถอะนะอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเธอก็รู้เอง ดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลานานแต่ในที่สุดรอยร้าวของผ้าห่มก็ได้แยกออกและเจ้าหนอนก็เริ่มโผล่ออกมาแต่เดียวนะนี่มันอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันคุณยายเจ้าตัวอืดอาดหายไปไหนแล้วแล้วนั่นนั่นเขาเหรอโอ้อฮ่าโอ้โอเ ย, ยสฉันเป็นเจ้าตัวอ่ดอาด แต่ไม่ใช่เจ้าตัวอ่ดอัดอีกแล้วนี่ผมจริงๆริงกันเลยเนี่ยคุณยายใช่แล้วนั่นแหละเจ้าเองปีกสวยดีนะยา่าฮูตอนนี้ผมก็สามารถเล่นกับใบไม้กับด้วงและพึ่งที่ผมชอบได้แล้วย่ฮูคุณยายพูดถูกธรรมชาติจะมอบเวทมนต์ให้กับผมละที่รัก ที่เห็นเขาพยายามจะออกมาจากผ้าห่มของเขานั้นก็เพื่อเป็นการบริหารปีกของเขาให้แข็งแรงและสามารถทำให้เขาบินได้อย่างไงล่ะหนูไม่คิดเลยว่าเจ้าเอืดอาจะสามารถบินได้แล้วตอนนี้เขาดูสวยงามมากเลย ตอนเป็นนอนเขาก็อนอ่ารักไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นผีเสื้อที่รูปหลอนเลยทีเดียวเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่หลอดเวลานั่นแหละนะดังนั้นเราไม่ควรไปตัดสินใครก็ตามถึงแม้เขาจะเชื่องชา้าน่าเกลียดหรืออะไรก็ตามทีในที่สุดแล้วพวกเราทุกคน ก็สามารถดูดีได้ในแบบของตัวเองอย่างแน่นอนพระแม่แห่งธรรมชาติได้ออกแบบชีวิตของพวกเรามาแบบนี้เราสามารถแข็งแรงขึ้นได้และสวยงามขึ้นได้ไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านั้นแต่มันคือสิ่งดีๆทุกอย่างที่เราสามารถทำมันได้